เมือนซืนได้พาชาวอเมริกันไปเปลี่วิเวกบนภูกลางบนภูกลางนี้ก็มีเขามีป่าซึ่งไม่ค่อยต่างจากภูหลงเท่าไหร่นะแต่ขนาดเล็กกว่าก็พาชาวอเมริกันไปหย่อนตามจุด ให้ห่างกันห้าสิบเมตรร้อยเมตรแล้วก็มีช่วงหนึ่งก็ไปเจอต้นกระบก <c oughs> กระบกใหญ่ <c oughs> ก็สังเกตว่าโคนต้นรอบรอบโคนต้นกระบกนี่มันมีการ ปัดกวาดใบไม้มันเตียนเลยพื้นที่รอบต้นกระบวมันจะเตียนเรียบมีแต่ดิดดนแต่ใบไม้นี่ถูกกวาดไปกลายเป็นพูนกลายเป็นพูนดินอยู่รอบรอบ ต้นกระบกก็สงสัยว่าเอก็ทำอะไรกันเนีก็เพราะว่าไอ้พูล ด, ดินที่มีใบไม้กองอยู่รอบๆต้นกระบกนี่มันจะมีช่องว่างอยู่สองสามช่องไอ้ช่องนั้นก็คือที่ วางแล้วพรานี่เขาเอาเอาแล้วมามามาดักไว้ตรงช่องว่างของไอ้พูนดินพูลใบไม้นะ่ะพู น, นันก็ไม่ได้สูงเท่าไหร่นะก็แค่แค่นิ้วนะนิ้วหนึ่ง ก็ถามนะถามนาะกวิชัยออสการ์ทำไมพรานเขาเอาแล้วมามาวางไว้ตรงช่องว่างระหว่างพูนดินพุ่นใบไม้ก็ได้คำอธิบายว่านะธรรมชาติของกระรอกของพวกพวกแรน์ พวตะกวดพวกแล้วพวล้วพวกตะกวดเ <c oughs> <c oughs> นี่ยมันมันชอบเดินในที่ที่มันสบายสบายตรงไหนโลกโลกนี่มันไม่เดินอ่ะมันเดินที่สบายๆงั้นยเขาก็เลยทําทางให้มันเดินสบายและทางนั้นก็ตรงไปยังแล้วนะที่ดักเอาไว้ถ้าเกิดว่า ก็ลอกคือว่าตะกวดนี่มันเดินออกตรงช่องนั้นมันก็จะติดแล้วมันก็จะกลายเป็นอาหารของพรานก็เห็นอย่างนี้อยู่ประมาณสองต้นสามต้นได้เมื่อคนเราก็ฉลาดนะรูวร้วันรู้นิสัยของ ของตะกวดของพวกสัตว์เหล่านี้ว่ามันชอบที่สบายตรงไหนที่เดินยากมันไม่เดินมันจะเดินที่สบายสบายและตรงนั้นแหละนะก็จะพาไปสู่ไปสู่อะไรสู่ความตายที่ที่พราณีเขาดักร่อเอาไว้ที่จริงไม่ไม่ใช่เฉพาะ สัตว์เหล่านี้เท่านนะคนเราก็เหมือนกันนะคนเรานี่ก็ชอบสบายโดยที่บ่อยครั้งก็ไม่รู้ว่าไอ้ความสบายที่เกิดขึ้นมันก็เป็นเหมือนกับเป็นเป็นทางที่นำไปสู่นะความตายได้เหมือนกันอ่นะ พวกมานหรือพยามารมันก็ดักมันก็ล่อนะมันก็ทำทางให้เราเดินสบายเพื่อจะล่อให้เราเข้าไปติด ก, กับดักกับดักของพยามารพยามาเ น, นี่ก็มีหลายอย่างนะมีหลายชนิดนะขันธ์มารมตุมาน เธว่าปุตตมานเป็นต้นมาจุม า, มาคือความตายขันตมานก็คือไอ้พวกความเสื่อมความแก่นะของสังขารของขันนี่จะว่าเป็นมานอย่างหนึ่งส่วนเธอปุตตมานนี่ก็คือเทวดาหรือว่ามานที่เป็นพญายมาร เส้นทางที่มันสะดวกสบายนี่ก็คือเส้นทางที่อาจจะมักจะเป็นเส้นทางที่มานี่มันลอ่อมันทาเอาไว้เพื่อลอ่อให้ไปติด ก, กับของมันเช่นชีวิตที่สะดวกสบายสมัยนี้นะสมัยนี้ชีวิตมันสะดวกสบายมากใครๆก็มุ่งไปหาความสะดวกสบาย ทำอะไรก็ไม่ต้องออกแรงมีเครื่องยนต์กลไกลทาให้มีรถยนต์จะขึ้นบันไดก็มีลิฟต์มีบันไดเลื่อนไม่ต้องเดินขึ้นบันไดเองอาหารการกินก็อุดมสมบูรณ์หาง่ายของอร่อยอร่อยก็มีเยอะเดี๋ยวนี้คนก็พอใจการ นั่งนั่งนอนๆไม่ต้องทำอะไรแม้แต่จะกินก็ไม่ต้องออกออกแรงทำอาหารหรือว่าเดินไปซื้ออาหารนั่งอยู่ที่บ้านโทรศัพท์หรือว่าออนไลน์ให้คนนำมาส่งผู้คนก็พอใจอความสะดวสบายอย่างนั้นแต่หารู้ไหมว่านี่มันทำให้ พาตัวเองนี้เข้าไปตกอยู่ในกับดักของมารไม่ว่าจะเป็นมัจจุมานขันธมาลหรือกิเลสมานเช่นพออยู่สบายกินสบายมีของอร่อยๆกินตลอดเวลาไม่ต้องออกกำลังกายอันนี้ก็ทำให้ตายเร็วนะทำให้ตายเร็ว พ่อเป็นโรคหัวใจโรคเบาหวานมันเป็นโรคที่เกิดจากความสกสบายเกิดจากการที่ใช้ชีวิตแบบไม่ต้องออกแรงมีเอาแต่นั่งนั่งนอนๆอ น, น, อนกินกินนอนๆอนตายเล้วนี่เรียกว่าอยู่ในเป็นกับดักของมัจจุมานมัจจุมานก็คือมารอันได้แก่มัจจุราช โอกาสที่จะทำความดีใช้ชีวิตนี้เพื่อสร้างความดีมันก็หดสั้นลงแต่ว่าก่อนที่จะถึงมือของมัจจุมานนี่ก็จะเสร็จนะกิเลสสมานกิเลสสมานคือทำให้เกิดความโลภทำให้เกิดความหลงนะก็ว่าพอ มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากๆใช้ชีวิตแบบสะดวกสบายไม่ต้องทำอะไรนะมันก็ทำให้ติดความสบายลำบากนิด ห, หน่อยก็ไม่ได้หรือว่าแม่ก็เป็นทุกข์อย่างฝรั่งที่มานี่ก็มีชีวิตสะดวกสบายมากนะ ไปสุโกโต์ตเพราะว่ากุฏิสุขกโตไฟดับนะมันมีแถมหนึ่งไฟดับแล้วบางอย่างก็เป็นกุฏิที่กำหนดให้เขาไปพักเขาก็ไม่ไหวนะไม่มีไฟฟ้าขอขอไปนอนขอไปนอนที่ที่มันมีไฟฟ้าก็เลยมีคืนแรกก็ต้องเป็นนอนที่อ่า เลือนพักที่อยู่หน้าวัดมีอาคารที่เป็นให้เช่าห้องพักให้เช่าสะดวกสบายพอวันต่อมาก็อให้เขาย้ายมาพักในกุฏิที่มันมีมันมีไฟฟ้ากม่มีปัญหากลัวมแมลง กลัวแมลงแมลงน่ดไม่ว่าจะเป็นมดไม่ว่าจะเป็นยุงหรือตัวลิ้นตัวลายก็เขาก็มีความทุกข์ทรมานมากนอนกันไม่ได้ก็หลายคนบางคนก็ต้องเอาอะไรเอาเสื้อผ้าเอาใส่เสื้อผ้าแสงเกรงขายยาถุงเท้าหมวกปิดหน้าปิดตาปิดตัวกลัวกลัวยุงกัดกลัวแมลงตอม แต่ก็ยังดีนะที่เขาสู้นะแม้กระทั่งไปอยู่ป่าก็ลาบากมันก็สู้แต่บางคนก็ไม่สู้นะไม่อยากจะมาลำบากไม่อยากจะมาเจอกับความไม่สุดกสบายมาวัดมันลำบากนะหลายคนก็ไม่มาก็เป็นแต่ว่าหันเหไปสู่ที่มันสบายเช่นห้างสรรพสินค้า สถานบันเทิงโรงรมผับบาร์ผู้นิยสบายน้่งสบายสิงค้านี่ก็มีอะไระประเคนทุกอย่างขอให้มีเงินนะทุกอย่างสะดวกสบายหมดจับใจเพื่อล่อให้เราจัใจ่ายใช้สอยสุดท้ายก็ติด ก, กับดักของมานี่เหมือนกันนะเส้นทางที่สบายมันต้องระวังนะ เด็กๆเนี่ยที่ถ้าหากว่าไปไปเลือกเส้นทางที่สบายชีวิตก็คงจะลำบากเป็นนักเรียนก็ไม่เรียนหนังสือไม่ทำการบ้านเอาแต่นอนดูโทรทัศน์เล่นเล่นโทรศัพท์มีเกมออนไลน์มุ่งแต่เข้าหาสิ่งที่มันถูกใจที่มันสบายเด็กเหล่านี้หนสือก็ ไม่ใช่เรียนแยกดีนะบางทีตกเข้าไปในทางอบายติดเหล้าติดบุหรี่พอเป็นวัยรุ่นติดเหล้าติดบุหรี่ติดยาติดการพนันอันนี้ก็เรียกว่าสมประสงค์ของกิเลสสมานนะมันปูทางที่สะดวกสบายเพื่อที่จะพาผู้คนเนี่ยไปสู่นะความตกต่ํานำตกอยู่ในอนํานาจของมัน โดยพอกิเลสมานให้มาจุมานี่ไม่เท่าไหร่นะเพราะว่าถึงแม่อายุสั้นแต่ถ้าทําความดีมันก็ยังยังเป็นชีวิตที่ประเสริฐแต่ถ้าเกิดว่าตกอยู่ภายใต้น้ากิเลสมานนี่ถึงแม่อายุยาวอายุยืนก็เป็นอายุที่มันถือว่าตกต่ําย่ําแย่สามารถจะก่อความชีพพายตั้งแต่ตัวและแบคนอื่นได้ เส้นทางที่มันสบายมันต้องระวังเหมือนที่คนพูดว่าทางสบายี่มันพาเป็นนรกนะแต่ว่าทางลำบากนี่มันพาไปสวรรค์ในทางพุทธศาสนานี่ท่านก็ท่านก็สอนเรื่องการฝึกตนสิกขาสามสีนสมาธิปัญญา เป็นเรื่องการฝึกตนฝึกทั้งกายวาจาใจขึ้นชื่อว่าการฝึกแลนี่มันก็เป็นทางที่ลำบากนะเพราะว่ามันต้องทวนจบกีเลส ต, ตัวเองทวนกระแสกิเลสทวนกระแ ส, น, ะแสนิสัยของตัวเองนะในทางสบายมันมีอยู่นะคือไม่ต้องฝึกตนนะก็ปล่อยใจไปตามกีเลสปล่อยใจไปตามสิ่งแวดล้อมอันนี้สบาย แต่ว่ามันก็จะเป็นทางที่นำไปสู่อบายได้คำ ว, ว่าสบายกับอบายนี่มันใกล้กันมากเลยนะสบายกับอบายนี่ชีวิตที่สบายเส้นทางที่สบายนะมันก็มักจะไปจบลงตรงที่อบายนะียอบายก็ความเสื่อม นั่นต้องระวังมากแต่ก็ไม่ได้แปลว่าทางลำบากนี่มันจะพาไปสู่ทางสวรรค์เสมอไปนะพระพุทธเจ้าเคยทดลองมาแล้วนะทางที่ลำบากมากๆเนี่ยอตตกิลมะฐานุโยกการทรมานตนนะพวกฤาษีทรมานตนนะตั้งแต่สมัยพุทธกาลนะก็มีเยอะ นอนบนตะปูหรือว่าอดอาหารหรือว่าภาวนาในอินเดียทุกวันนี้มีคนที่ภาวนาด้วยการยืนขาเดียวนะยืนขาเดียวแล้วก็ยืนอยู่งั้นแหละไม่มีคําว่านอนไม่มีคําว่านั่งนะทุกวันนี้ก็มี ในประเทศอินเดียนี่เมื่อพันปีก่อนก็มีเจ้าชายคนหนึ่งนะจะอยากได้รัสมบัติก็ไปแย่งรัสมบัติจากพี่ชายได้มาแล้วก็เกิดความรู้สึกผิดนะก็อยากจะชำระ บ, บาปก็เลยออกบวช แตว่าไม่ได้อาบวชในพุทธศาสนานเะอาบวชในศาสนาเชนนะแล้วก็ไปภาวานาในป่าภาวานาด้วยการยืนยืนภาวานาไม่นั่งไม่นอนยืนเป็นปีเลยนะจนต้นไม้นี่มันจนต้นเทาวัาเ น, นี่ยมันพันมันพันรอบตัวเอง ก็เสุดท้ายเขาก็เชื่อว่าทางฝ่ายลระที่เชิงเขเชื่อว่าได้บรรลุ ธ, ธรรมโมกษธรรมหรือคนนะทวนนี่เขา ย, ยังสร้างมีมีอนุสาวรีย์ขนาดใหญ่นะให้กับเจ้าชายคนนี้นะที่ประเทศอินเดียถือว่าเป็นเป็นศาสดาคนแรกๆของศาสนาเชนแต่ถึงไม่ใช่เชนนะถึงเป็นฮินดูอันนี้ก็มี มีคนที่บาเพ็ญพจแบบนี้อยู่แต่ก็มีทางมีตัวช่วยนะยืนขาเดียวภาวนาก็จริงแต่ว่ามันก็มีมันก็ชิงช้านะให้ตัวเองเนี่ยเท้าแขนได้หรือว่าให้ตัวเองเนี่ยนั่งพักไม่ให้นั่งพั ก, พกคือเอาไว้ค้าตัวเองได้นี่เป็นตัวช่วยนะ ไม่สามารถจะคือพอยืนมาแล้วมันก็ไม่มึดมันก็เมื่อยนะมันก็ต้องมีอะไรที่คอยค้าเอาไว้ก็มีชิงชานี่เอาไว้ให้ตัวเองนี่คอยคอยคอยคอยเท้าแขนหรือว่าเอาตัวไปทักตรงนั้นแต่ก็ยังยืนอยู่เอฟสบายไอ้ความลำบากอันนี้ก็ไม่ใช่ว่ามันจะเป็นทางสวรรค์หรือเป็นทางไปสู่ความหลุดพ้นะ สบายสบายมากก็ไม่ใช่สบายมากก็ไม่ใช่ไนมะ่ใช่ทางลำบากมากก็ไม่ใ ช, ใ ช, ทกกใช่ทางเช่นเดียวกันนั่นที่บอกว่าไม่สบายคือหมายถึงการฝึกนะการฝึกฝึกกายฝึกกายวาจาจใจโดยข้าใจเนี่ยการประกอบในการทำจิตให้ยิ่งนะอย่างที่เราสอนเมื่อกี้เนี่ยอันนี้คือการฝึกจิตนะซึ่งมันก็ไม่สบายหรอก เพราะว่ามันเป็นการทวนกระแสะกิเลสทั้งโลภะโทสะโมหะบางทีก็ต้องฝืนนะต้องไปอยู่ในที่ที่เรากลัวไปอยู่ในที่ที่เราไม่แน่ใจว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นไม่ใช่แค่มแมลงอาจจะมีสัตว์ร้ายอาจจะมีงูเงี้ยวเขียวขอ อันนี้ก็เป็นการฝึกเหมือนกันที่นี่ก็มันก็ฝึกตั้งแต่ตื่นตื่นตีสามตีสามครึ่งหรือตีสี่อย่างช้านะเพื่อมาทำวัดนะอันนี้มันก็ไม่สบายนะเพราะว่าคนที่คนธรรมดาก็อยากจะนอนจนสว่างจนพอทีขึ้นหรือว่าจนสาย หรือว่าการกินการกินก็กินไม่ครบสามมือ้อไม่ถึงสามมือ้อมื้อเดียวบางสองมื้อบางอาหารการกินก็จะไม่ถูกปากแต่บางครั้งก็อาจต้องกินหรือฉันมื้อเดียวโดยเพพาะถ้าไปทุดดงในการทุดดงนี่มันก็เป็นการพาตนไปสู่ความลำบาก นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการฉันนะการพักการปฏิบัติอันนี้ไม่ถือเป็นการทรมานตนนะแต่เป็นการฝึกเขี่ยวกรรมตนเองเพื่อให้ไม่ติดกับสถานที่ไม่ติดกับสิ่งต่างๆรวมทั้งไม่ติดความสะดกสบายแต่ก็ไม่ใช่ถึงกับทรมานตนนะทั้งหมดนี้เพื่อเป็นการฝึกฝน ฝึกฝนกายฝึกฝนกายนี่ไม่ได้ฝึกแบบนักกีฬาเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงอันนี้ก็จําเป็นพราะถ้าร่างกายแข็งแรงโรคภัยไข้เจ็บมันก็รบกวนน้อยขันธมารขันธมารก็เป็นเรื่องเกี่ยวเรื่องความแก่ความเจ็บความป่วยนี่แหละมันก็จะมารบกวนเราน้อยลงเป็นอุปสรรคขัดขวางการทําความดีน้อยลงบุตกายเราทําความดีสร้างบุญสร้างกุศลได้มากขึ้น อในความเจ็บความป่วยนี่ก็ถือเป็นมารอย่างหนึ่งนะเพราะมันเป็นอุปสรรคขัดขวางการทําความดีถ้าเราใช้ชีวิตไม่ถูกต้องนะีสบายมากเกินไปมันก็ตกเป็นเหยื่อของขันธมารได้แต่ครันี้เนี่ยที่ว่าฝึกกายเนี่ยมันไม่ได้ฝึกแค่ฝึกให้อร่างกายปลอดพ้นจากความเจ็บความป่วย หรือว่าห่างกายจากความเจ็บความป่วยแต่ยังหมายถึงฝึกกายให้ไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นด้วยฝึกกายเป็นกายที่ดีที่งามไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่นก็คือศีลนั่นแหละศีลเปนเรื่องการฝึกกายฝึกเพื่อที่จะได้ไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่นแล้วก็ไม่เบียดเบียนตนด้วยไอเบียดเบียนผู้อื่นเนี่ยมันก็คือการเบียดเบียนตนนั่นแหละ พอถ้าเราไปลักขโมยก็ไปไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะมันก็เท่ากับหาเรื่องใส่ตัวทำให้อยู่ร้อนนอนทุกข์นอนนอนไม่เป็นสุขเพราะกลัวเขาจะมาแก้แค้นกลัวตำรวจจะมาจับนะหรือว่าทำไปแล้วก็ถูกเขาตอบโต้มันก็ทำให้เจ็บปวดเกิดความทุกข์ทรมานนะ ไปทำร้ายเขาเขากลับมาทำร้ายตัวเองไปขโมยของเขาเขาก็มาขโมยของเราโกงเงินเราทาให้เจ็บช้าน้ำใจเมื่อเบียดเบียนผู้อื่นก็เบียดเบียนตนนั่นแหละแลวเราเบียดเบียนผู้อื่นเนี่ยเราก็เบียดเบียนด้วยกายด้วยวาจาเป็นหลักดังน้นเราฝึกกายไว้นะไม่ไปเบียดเบียนใครไม่ว่าคนหรือสัตว์มันก็ ถ้าเขาว่าไม่เบียดเบียนตนทําให้อยู่เย็นเป็นสุขนงะการฝึกกายเนี่ยนะให้ในทางพุทธศาสนาเนี่ยมันไม่ใช่แค่ฝึกกายไม่ให้ฝึกกายให้แข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยมีสุขภาพดีมีพลานามัยดีเท่านะั้นมันยังเป็นการฝึกกายไม่ให้ไปเบียดเบียนผู้อื่นแล้วก็ฝึกมากกนั้นคือฝึกกายเพื่อเกื้อกูลผู้อื่นด้วย กู้คืนพูนด้วยความเมตตากรุณามันก็กลับมาทําให้จิตใจเป็นสุขสงบเย็ น, เ, นยเมื่อเราให้ทานทําให้คนมีความสุขเราก็พอมีความสุขด้วยการฝึกกายลงการฝึกกา ร, กา ร, กการบริโภคการจับจ่ายใช้สอยต่างๆเมื่อได้เน้นเอาความสะดวกสบายเป็นหลักสะดวกสบายก็ดีนะแต่ว่าอย่าไปติดมัน ติดมาแล้วนี่ก็เท่ากับตกเป็นเหยื่อของกิเลสสมานได้นันฝึกกายแล้วก็ฝึกฝึกกายฝึกวาจาแล้วก็ต้องฝึกใจฝึกใจนี่ยากสุดนะเพียงแค่ฝึกให้รู้จักให้อภัยนี่ก็ยากแล้วคนเรามันมีความโกรธมีความเกลียดมีความแค้นนี่มันก็ไม่อยากให้อภยัย มีใครมาเวลาโกรธใครเกลียดใคร <c oughs> เพื่อนมาแนะนำให้อภัยเขากลับไปกลับไปโกรธเขาไม่ชอบที่เขาแนะนำอย่างนั้น <c oughs> แม่ที่โกรธคนโกรธคนนั้นคนนี้เจ็บช้าน้ำใจผูกใจเจ็บสิบปียี่สิบปีสามสิบปีบปจนกระทั่งกายจะตายแล้วก็ยังปล่อยวางไม่ได้ ลูกมาแนะนำให้ให้อภัยเพราะลูกอยากจะให้แม่มีความสงบถึงเวลาตายก็ตายตายดีไม่ใช่ตายด้วยความอาฆาตเทเบา่าพอลูกมาแนะนำแม่แม่กับโกรธลูกนะเหมือนกับว่าลูกนี่กำลังจะแย่งชิงของรักของห่วงไปจากแม่ให้ความโกรธความแค้นมันเป็นของที่ควรห่วงคงควรคว ร, ควรแหงที่ไหน มันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ควรหวงหาเลยนะแต่คนเราก็ห่วงแหนไว้นะอันนี้เพราะอะไรเพราะว่าอยู่ในอำนาจของกิเลสสมานะมันโกรธจนเป็นนิสยัยเกียจนเป็นนิสยัยพอจะพอจะให้ภัยมันก็เลยเป็นการฝืนฝืนใจมากนะมันก็เป็นความยากในการตามใจกิเลสนะตามใจอารมณ์เนี่ยมันง่ายกว่าเยอะเวลาโกรธก็ก มันอยากให้เราด่าแล้วก็ด่านะมันอยากให้เราทำร้ายเข้าของเราก็ทำร้ายอยากให้เราทุกตีเราก็ทุกตีเส้นทางที mm ่ hmm. สบาย mm hmm. การตามใจกิเลนี่มันสบายนะแต่ว่ามันสร้างทุกข์ตามมาแต่คนก็ไม่ตระหนักนะในทางตรงข้ามการสวนกระแสกิเลสในือความเกลียดความโกรธความอยาก เราต้องความกลัวด้วยนะล้วต้องสวนกิเลสต้องสวนกระแสะมันมันโกรธอยากให้ดา่าเราก็ไม่ดา่าก็รู้สึกต้องฝืนใจนะมันกลัวไม่อยาให้ไปตรงน้นตรงนี้แต่เราฝืนใจไปอันนี้มันก็มันก็ลำบากเหมือนกันไม่สบายหรอกแต่ว่ามันทำให้ใจเราเป็นอิสระได้ในที่สุด การสุกใจใการมันประกอบในการทาจิตให้ยิ่งเนี่ยนี่เป็นสิ่งที่ก็ต้องทำนะคนมีปัญญาคนที่ฉลาดก็ต้องทำเหมือนกับเราพาตัวเราเองมาที่นี่เนี่ยก็ถือว่ า, าชนะกิเลสได้ระดับหนึ่งแล้วเพราะว่ากิเลสไม่อยากให้เราอยู่บ้านไม่อยากให้เราอยู่สบาย นอนเมื่อไหร่ก็ได้กินเมื่อไหร่ก็ได้มีเพลงฟังมีหนังดูจะไปเที่ยวห้างเมื่อไหร่ก็ได้กิเลสมันอยากให้เราทําอย่างนั้นคนส่วนใหญ่เลือกแบบนั้นเพราะมันสบายแต่เราเลือกที่จะมาทิ้งบ้านมาอยู่มาอยู่วัดแม้ชั่วคราวนะแต่ก็รู้ว่าจะต้องเจอกับสิ่งที่ไม่คุ้นเคยแล้วก็อาจจะต้องเจอความลําบากบ้างแต่ก็มา ก็ถือว่าเป็นชัยชนะนะขั้นหนึ่งแล้วขั้นต่อไปคือว่า ก, ก็ฝึกให้มันมากขึ้นนะไม่ใช่มาไม่ใช่มาเจอความลำบากทางกายพอความลำบากความบาทางกายไปรเดี๋ยวเดียวก็ปรับตัวได้ประเดี๋ยวเดียวก็คุ้นกับการตื่ น, 3, นตีสามตีสามครึ่งประเดี๋ยวเดียวคุ้นกับการกินมือเดียวกินสองมือ้อ แต่สิ่งที่ต้องทำาหนันคือฝึกใจนะฝึกทวนกระแสกิเลสแม้มันจะยากมันจะลำบากนะมันไม่สบายไม่เหมือการตามใจกิเลสแต่ตัว อ, อย่างที่บอกนะอะไรที่มันสบายนี่บางทีมันมีความเสี่ยงอะไรที่สบายนี่มันเต็มไปมด้วยความเสี่ยงนะเพราะว่ามันอาจจะเป็นกับดักของกิเลสกับดักของมารก็ได้ที่ทาให จากความสบายก็กลายเป็นอบายไปนันก็ต้องยอมอย่าไปรังเกียวความสบายอย่าไปยึดติดความสบายอย่าไปรังเกียวความลำบากต้องถือว่ามันเป็นครูสอนเรามี่มันจะคมได้ก็ต้องเจอหินรับมี่หินรับมี่มันมันก็มักจะสากนะหินรับมี่มันมักจะสาก ก็เหมือนกะับกระดาษทรายนะกระดาษทรายมันขัดไม้ให้ใหสวยงามถ้ามันไม่สากมันก็ไม่ทําให้ไม้สวยงามได้ไอชีวิตของนักบวชชีวิตของการการอยู่วัดมันก็เป็นชีวิตเหมือนกับกระดาษทรายนะมันก็ขัดขัดขัดใจของเราขัดแจ้งเราให้สะอาดขัดแจ้งเราให้เป็นให้ให้ให้กลมกลึงให้ให้งดงาม อย่าไปรังเกียจนะไอการความลำบากเนะพราะมันจะช่วยฝึกกายฝึกวาจาฝึกใจให้ให้งดงามนะจนกระทั่งเนะข้าสูนะ่ความอิสระได้ใช้ได้คุยกนเท่านี้นะอากาศขของกัน